ถ่าอาจารย์มั่นปรากฏชื่อนา ม, มานานแล้วทางด้านิองพุปฏิมรรต์ในทางจิจตใจถ้าเวลาท่านเทศน์ฟังเกี่ยกระทางจิตใจจริงๆแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นท่านแล้วยังความโง่ของตัวเองไวนะ้เพราะส่วนมากท่านเทศน์สอนพระท่านจะเทศน์แตด้านปฏิบัติล้วนๆเราไม่เข้าใจ นั่งฟังอย่างนั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราเรื่องจิตเรื่องขันเรอะไรเราก็ไม่ทราบ็นกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิ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 ไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ทราบจะรับได้ยังไงการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติอยู่โดยสม่ามําเสมอกเป็นการขัดเกลาจิต ด, ด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติโดยลําพังตนเอง ก, เกใใเ็เป็นการขัดเกลาจิตการฟังจากท่านก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นลําำบากกำลังจิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็น แลวลาท่านอธิบายธรรมะเป็นตันตอนเป็นทักทักไปเรามีข้อควาใจจิดใดอยู่พอท่านเทศฐานไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆัต่ก่อนอี่ได้อ่านในประวัติว่าครั้งปฏิการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจานวนมากมาย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 ไปถึงนั้นแล้วต่อไปก็เข้าสงสัยในจุดนั้นพอท่านเทศพอผ่านไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเลื่อนระดับไปเรื่อยต่อไปก็ผ่านไปได้เนี่ยยิ่งผู้ติจวนอยู่ในธรรมะขั้นละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งที่สู่บริษัทเป็นสาคัญมากเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติของท่านอยู่เป็นประจําภูมิจิตมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกัน เป็นลำดับลำดาของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงเป็นเรื่อง เ, อเป็นการเบริกทางให้ท่านได้ก้าวไปวันละเล็กละน้อยโดยลำดับลำดับพอผู้ผู้พอที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปได้เลยนั่นคือว่าสมเร็จมกุฎภุพายคือท่านเทศจะแก้ความสงสัยได้แล้วผ่านไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระอนิตราภิขุ ท่านกาลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถึงพระกันธะบุดีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถึงนั่นสังเกตบดดูน้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็มากระทบน้ำกับพืพ้นแล้วกเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งคืออะไรมันก็ดักตา ก, กด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 ดวมใดจิตดวงนั้นทํงหายสงสัยทันทีแม้แต่จะไปทูนถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูลถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จะไปทูนถามท่านท่านก็จะรับสั่งว่าอย่างที่เข้าใจนี้ก็เลยหมดปัญหากลับไปก็ดีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรม อยูทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้เรายึดรู้ปัญญาก็ยิ่งตามทันทีทันทีทนทโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทัทนพิจารณาแย่ๆเป็นอัดเป็นธรรมไปทั้งสิ้นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกราบเรียนพระมหาเถระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านดูคนเดียว เลาเกิดข้อของใจขึ้นมาท่านปรึกษาปรารถกกับใครท่านบอกท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดด่อนเลยทันว่าพมหาเทระบอกไม่กล้าจะข้านทันวายอย่างไงเพราะไม่เข้าใจอืประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะข้านท่านได้อย่างไคงคําที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัส ถูกสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายและให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจไปเรื่บยนั่นแหละคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นทํางานเพื่อทำทั้งนั้นไม่เพื่ออย่างอื่นอะไรทั้งหมดนอกจากทำล้นวนๆทั้งนั้นด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงขอให้จิตมีความสงบ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 นหสมาธิปริพาตาปัญญามหาพราโฮติมหานิช้งางๆปัญญาที่ ส, สมาธิอบรมได้ดีย่อมมีผลมากมีอานิงสง ม, มากหรือย่อมคล่องแค ล, แค ล, แคลแ่วแก้ก้าไปได้อย่างรวดเร็ยวยิ่งกว่าจิตที่มีฐานแห่งความสงบนั่นเลยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจึงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจึงต้องนํามาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระคีณาศพแล้วยังต้องใช้สมาธิ เพราะหลายรจึงต้องใอายเพราะสมาธิเป็นเครื่องประสับ ป, ประสานเป็นเครื่องสมัครสมานระหว่างขันกับจิตได้ดีในขณะที่จิตคิดอ่านแต่จองอะไรซึ่งเป็นการทํางานภายในจิตจิต่อมีความเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วก็พักจิตด้วยสมาธิเมื่อพักจิตในสมาธิปล่อยเรื่องความคิดความปรุงที่เรียกว่างานภายในใจเสียทั้งหมดจิตก็ทั้งหมดตัวอยู่โดยลําพังไม่เกี่ยวข้องกับ ขันใดทั้งนั้นพอถอยออกมาแล้วก็มีกำลังระหว่างขันกับจิตก็พอเหมาะผอสมกันแล้วทำงานได้ต่อไปท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดกันตระนิพันเรื่องสมาธินี้ท่านจ ะ, จะต้องใช้อย่างนั้นตลอดไปจึงเรียกว่าท่านทำความเพียรเพียรระหว่างขันกับจิตเท่านั้นไม่ได้เพียรเพื่อจะละถอนยิ่เหล็ตัวใดหากว่าจิตไม่ได้ใช้ความพิจารณาหรือว่า ไม่ได้ปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับตัวเองคือกับจิตส่วนที่จะเป็นส่วนเสียก็คือขันไม่สามารถที่จะตั้งยังถาวรได้เท่าที่ควรในส่วนจิตซึ่งเป็นของบริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาว่าจิตจะเสียไปอย่างนั้นไม่มีนอ ก, ากนจากธาตขันจะคลองตัวไปไม่ถึงการอังควรเท่านั้นท่านจึงปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับจิตที่เรียกว่าทิธรรม มิหาราธรมคือทำเครื่องหยู่สบายในระหว่างขันกับจิตที่กําลังครองตัวอยู่อะไรเป็นเครื่องเสริมกําลังของจิตก็คือความเพียรความสงบเพริมกําลังของจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงอะไรที่จะเสริมจิตให้มีความ ผ่านพ้นไปโดยลําดับก็คือปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลวเป็นเครื่องแก้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางไปนี้มีขวากมีหนามเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันออกไปเรื่อยอะไรมาจีบมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจิตดํตเาเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกวัตรรักษา ขัดข่องที่ตรงไหนก็แก้ไปเรื่อยๆเลยๆเยๆก้าวไปเรืเ่อยๆเรียกว่าก้าวไปหรือว่าพ้นไปอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นสมมุติอันหนึ่งการปฏิบัติ ต, ต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัตินี่เรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะ เรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกผลอบรมสติเราจนมีกำลังแล้วเพียงจิตก็เพิ่มเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกันคือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิดปุงนั้นๆ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 ฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็อมีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าข้าอถูอความสงบให้เห็นผลขึ้นมาพอเป็นเครื่อนพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานพยายมให้เกิดความอุตสาหพยาพยามในการที่จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจท้ามีความสงบแล้วก็คือเย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหลง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 เราไม่ต้องถือว่าทำบทใดต่ทาทำบทใดสูงที่จะนามากำกับสตินั้นขอให้เหมาะสมคือกัตจกิ์ของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนามากำกับถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เรื่องคำบิกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปาติตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเลีอยรเอกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายามเข้าสู่ความ้งออก อนนะพอสงบแล้วก็ยินสบายมีหลักใีมองไปไหนก็ไม่เป็นปืนเป็นไฟเป็นหมเหมือนอย่างต่กอนพอออกมาจากความสงบเล่นอีพิจณาอีันมีความสงบแ น, แน่วแน่หรือแน่แน่แนก็ไปดูวยลำหน่ะ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 ของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสําคัญแห่งความรู้เป็นหินรับปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันทัสติปัญญาและแม่ขันที่เป็นข้าศึกต่อตอนเองอย่างยิ่งก็คือขันนะนั้นจึงต้องพิจารณาขันขันมีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุธส่ อ, สอความทุกข์ความลําบากลําบนความทรมานต่างๆดูกับ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 พราะท่านทราบคติ ธ, ธรรมดาโดยสมบูรณ์แล้วว่าเรื่องทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วทั่วไปแต่ธรรมชาติอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็เป็นผู้รับทราบด้วยความจ ร, ริงของจิตด้วยความจ ร, ริงของสภาวะธรรมคือทุกขเวทนานั้นเท่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะกําเริบขึ้นภายในจิตให้ก่อเป็นตัวทุกขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากสมุทัยคือความหลงเพราะท่านไม่หลง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 ในขันห้าท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้จังทุกขังตาตามันอันเดียวกันนั่นแหละ mm. ไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกขังในจังตาตามันอยู่ด้วยกัน <c oughs> เหมือนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้าย ข, ข้างคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายอันนั้นเปข้างขวาอัน <c oughs> นั้นเป็นข้างหน้า น, นี่เป็นข้างหลังก <c oughs> ็คือคนคนเดียวกันนั่นเองอันนี้จังทุกขังตาก็คือสภาพอันเดียวกันนั่นถ้าเราจ ะ, ปะาไปแยกไปแยกไปตามอาการหน้าม า, าการกอง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 หเห็นตามความจริงของมันอย่าปีงเปรี้ยวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องนี่เป็นกองไตลักษ์บอกแล้วอย่าอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบกไปหามมันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกขรั้งจงตาเมีอยู่ทุกอาการของขันรูปเป็นกองอันไตรลักษเนี่ย เมทนาใตรักสัญญาก็ใตรักสังขานก็ใตรักยินยานก็ใตรักเขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วตามความจริงทั้งตนเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสำคัญอย่าไปปักปันเหตุแดนเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สมายเนี่ยการพิจารณาทางนั่นปัญญาให้ยพิจารณาอย่างนี้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 หมดความหมายไปในขณะนั้นนี่พิจารณาให้เข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเป็นที่สะดวกสบายใจนี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งการพิจารณาขั้นสุดยอดแห่งทุกแห่งสมุ ท, ทยัยแห่งธรรมก็คือขั้นจิตล้วนล้วนขั้นจิตล้วนล้วนคืออะไร จิตโนรั้วนนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเอาจิตอันนั้นอ่ะอคือเอาความรู้ความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูปจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศาจรรย์อยู่มากมายห่ายกองจนเจ้าตัวก็ต้องหลงเชิญกับความรู้ประเภทนี้ ถือว่าเป็นของดีทุ่งดีอย่างยิ่งแล้วมีความรักความเจ้าหมอนไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียบเท่าได้แล้วถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมดบรรดาที่พิจารนามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเคยเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสงาา่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่มีความระวางกระจังเส้งเป็นสิ่งที่น่าประจยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหละท่านอย่าไปอภิชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทําให้หลง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 ราภาพอะไรก็ตามเป็นเรื่องอวิชชาที่จะถ้าสําคัญนั้หมายไปต่างๆนานนานนอะไรๆก็เป็นทิเลืไปหมดเพราะอาวิชชาพาให้เป็นฉะนั้นจึงต้องโค้นลงไปที่จิตเอาจิตนั่นแล้วเป็นสถานที่พิจารณาหรือเป็นต้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นต น, น, นถ้ายังถือความรู้นั้นว่าเป็นตนอยู่ การพิจารณาเขาไม่ถนัดกลัวความรู้นี้จะเสื่อมบ้างจะสลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนมัง่งกลัวจะล่มจมไปต่งตางๆนานามัาง่งไม่อยากแตะกล้องนั่นแหละคือขี้เล็กตัเคล็หนึ่งหลอกเราอย่างอย่างสนิททีเดียวดังนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงๆจึงต้องถือเอาสุดแห่งความรู้ที่เด่นทักที่ว่าอัศ จ, จ, จรรย์มากๆนั่นแหละ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 มันจะอดเข้าใจได้อย่างไรแท้ทนต่อความเข้าใจได้อย่างไรทนต่อความที่ถูกได้อย่างไรต้องเข้าใจอสิ่งที่ว่าอสัจจัน์ก็สลายไปหมดจึงได้เห็นชัดเจนว่านี่คือตัวหลอกลวงอันสุดท้ายคือธรรมชาตินี้แหละที่นี่ขันก็หมดปัญหาคําว่าจิตก็หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั่วๆไปหมดปัญหาเมื่อจิตหมดปัญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาในโลก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 โหนมาจากไรจากนาจากอะไรอะไรก่าที่จะทํามาเป็นมเมล็ดข้าวให้สําเร็จขึ้นมาถึงกา ร, รานับฐานนีมันดืดยาว อ, อทําเป็นปีน่อยมีการพิจารณาทาก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลูกคู่ครานพุักพุทโธธรรมโมสังโฆล้มแล้วล้ ม, ล ม, ลมอีกอยู่นั้นแหละมีลูกกี่คืึกี่ล้มกี่ลุกแหละพยายามเสือกคานมาโดยลําดับด้วยความอุตสาห์พยายามเรื่อยมา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 ว่า ม, มีอะไรที่จะว่าต่อไปนั่นคือแดนแห่งความพ้นทุกโดยจิ้นเฉยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีถึงแดนนี้ด้วยกันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอง์สุดท้ายว่าจะยิ่งย่อนกว่ากันในความบริสุทธินี้มีเท่าเมือกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยคือความสามารถฉลาดรู้ในแง่ต่างๆ่างของธรรมนั้นมีความลึกตื้นหยาะเหยียดกว่ากันเท่านั้นแต่ขั้นบริสุทธินี้เหมือนกันหมด ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัติเพอร์โยวปาติโยไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันเลยแม้แต่นิดบรรดาพระอราหันตินากทั้งหลายนับแต่วุฒิเจ้าลงมาเสมอกันก็คือจุดนี้เนี่ยดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงในเรื่องนิมิตที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านในครั้งพุทธการท่านเคารพกันอย่างไรปร า, ากฏใ น, นนิมิตว่าบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่หลังไหลมา ถ้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาใครมาถึงก่อนนั่งเป็นลําดับลําดาตามผู้ที่มาถึงก่อนไม่ได้ทํานึ่งถึงอาุโสพันเตพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่หลังก็ประทับอยู่โน้นกลับย <H it> ึดตกขึ้นมาอีกนี่เพออราะนายจึงต้องเป็นเช่นนี้ความเาครเรารพขั้าบริการเป็นอย่างนี้เหรอก็รู้ขึ้นมาทันทีนี้คือวิสุทธิธรรมเส่าเหมอกันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามความก่อนมาหลังคือเป็นความเสมอภาค นัว่าผี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ที้นี้อวโสมีนี้พันเตะเพราะความไม่สุดท่าเหมือกันเนี่ยแยกตามสมมุติเล่ากําหนดพอทางด้านสมมุติพริกคุกเดียวท่านั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเลยแล้วบรรดาสาวกเพียงลาดับลาดานี่คือสมมุติในความเคารพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้มีอวโสพันเตะอย่างนี้นี่นานท่านแยกทั้งสมุติทั้งสมมุติให้เห็นอย่างชัดเจน การเคารพกันกม็มีใครที่จะเคารพนิ่มนวลยิ่งกว่าท่านผู้สิ้นชีวิตเคารพกันไม่เป็นพิธีดีกรีไม่เป็นอะไรอะไรเล่เล่เนียนเนยมเหมือนด่าคนมีชีวิตทาเคารพท่านเคารพกันอย่างถึงใจเคารพธรรมเคารพความจริงการเคารพความจริงด้วยความจริงภาในในจิตใจนี้จึงทําได้สนิทแต่การแสดงออกเยังเป็นมารยาทนั้นแม้จะภายนอกจะอดโดยเขาตามแต่ภ า, ายในมันแข็งคือ มันไม่เหมาะสมจึงมีรุ่นรุ่นบันดาลจึงรุ่นต่ำไม่สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นออกมาจากความจริงมันนี่แสดงส่งนตรงนี้นยึดติดับ